เวาเรามาทำวัดที่หอดไตรนะไม่ว่าเช้าหรือเย็นนะก็จะเห็นภาพและข้อความอยู่ใต้ถุนศาลานะเป็นนิทรรศการย่อยส่วนหนึ่งก็เป็นคำสอนของหลวงพ่อนะสำหรับนับปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งก็เป็นภาพหลวงพ่อยามอ า, าพาธนะ นะไม่กี่เดือนก่อนที่จะมรณบภาพแล้วก็มีลายมือนะของท่านเป็นบันทึกในยามอ า, าพาธก็อย่าเดินผ่านไปนะเปล่าๆนะให้ลองอ่านดูบ้างเพราะว่ามันอาจจะมีความหมายมีความสำคัญกับเราในวันข้างหน้าก็ได้ เพราะว่าพวกเราทุกคนไม่ช้าก็เลยก็ต้องป่วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการป่วยเนี่ยที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นการป่วยครั้งสุดท้ายของเราหรือเปล่าสิ่งที่หลวงพ่อได้มันทึกเอาไว้เนี่ยนะมันเป็นเหมือนขุมทรัพย์นะที่จจะช่วยเตือนจิตเตือนใจหรือช่วยเปิดใจของเราให้ ยกจิตเหนืนอความทุกข์ที่เกิดกับกายก็ได้พวกเราทุกคนเนสุดก็ต้องนะเดินตามหลวงพ่อไปนะเดินตามนี่ห ม, มายถึงต้องเจ็บต้องป่วยแล้วก็ต้องตายส่วนตายแล้วไปไหนนี่อันนี้ไม่รับประ ก, กันนะว่าจะไปอย่างที่หลวงพ่อไปหรือเปล่าในระหว่างที่หลวงพ่ออาพาธเนี่ย มีทุกขเวทนาเยอะนะแต่เรามองจากภาพถ่ายเนี่ยก็ดูมาว่าท่านไม่เคยเป็นอะไรมากท่านเคยบอกว่าเนี่ยไม่มีตรงไหนที่ไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่มีตรงไหนที่ไม่รู้สึกปวดแต่ท่านก็สามารถอยู่กับความเจ็บความปวยได้นะเหมือนกับเป็นปกติสุขนะอาจจะมีอะไรข้องขัดบ้างก็เป็นไปตามสภาวะของโรค ที่อาจจะทําให้เดินไม่สะดวกบ้างหายใจไม่คล่องบ้างพูดไม่ได้บ้างถ้าเราอ่านข้อความที่ท่านเขียนในยามอาพาธก็จะเห็นว่ามันเป็นข้อความที่ไม่ได้ปรุงบอกถึงความทุกข์ความเจ็บปวดความขุ่นเคืองหรือโทสะนะอาจจะมีแต่ความร่าเริองอาถรรพ์ด้วยซ้ำ พูดถึงความตายโดยใช้ไม่สะทกสะทานว่าป่วยคราวนี้ตายแน่นะความตายก็เป็นเช่นนั้นเองท่านบอกว่าเนี่ยท่านอยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรนะในหลองที่ป่วยเนี่ยมีสติเป็นเครื่องรักษาใจถ้าเร า, เอาลองให้ความสำคัญนะสละเวลามาอ่านข้อความนั้นบ้าง อย่าเพียงแต่เห็นว่าเป็นสิ่งธรรมดาลแล้วก็เดินผ่านใครจะรู้นะข้อความเพียงแค่ประโยคสองประโยคในบรรดานับร้อยประโยคนะที่เอามาแสดงข้างล่างเนี่ยอาจจะช่วยทำให้เราอยู่กับความทุกข์อยู่กับความเจ็บป่วยได้โดยที่ใจไม่ทุกขนะ์เรื่องพวกนี้ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่เราเสวมมาสักครู่เนี่ย เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะใอ้ความทุกข์ที่อยู่เบื้องหน้าเรานะก็คือความเจ็บป่วยคนเราทุกคนในสุดเราก็ต้องตายแล้วก่อนตายก็ต้องเจ็บป่วยนะนเจ็บป่วยสมัยนี้ก็เป็นความป่วยที่ยาวนานยืดเยื้อเป็นปีนะอย่างที่ได้เคยพูดให้ฟังแล้วว่ามันไม่ได้ว่าตายแบบสี่ห้าวันตาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะโรคติดเชื้อหรือว่าตายแบบปุบ ป, ปับเพราะอุบัติเหตุภัยธรรมชาติหรือหัวใจวายนยตายแบบค่อยๆตายหรือความทุกข์ทรมานทำยังไงมันมีแต่ทุกขเวทนาแต่ไม่ทุกขทรมานอันนี้แหละนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแล้วเมื่อเจอแล้วเนี่ยเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่า เมื่อจะต้องเจอเนี่ยเคยคิดไว้บ้างหรือเปล่าว่าควรเตร็มตัวเต็มใจเอาไว้นันเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ได้เจอความเจ็บป่วยเจอกระทุกเวทนาท่านเจอมาก่อนเราแล้วแล้วท่านก็สามารถที่จะเอาประสบการณ์ท่านเนี่ยมาเผยแผ่ใหให้กับเรานะโดยการบันทึกซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะที่ท่านเนี่ย พูดไม่ได้นะเพราะท่านพูดได้ท่านก็คงจะอาจจะไม่บันทึกนะก็ จ, จะเล่าสู่ให้เราฟังก็ไม่มีการจดไม่มีการบันทึกเอาไว้แต่ท่านพูดไม่ได้เพราะว่ า, าต้องต้องเจาะที่คอให้ให้การหายใจเนี่ยมันสะดวกเพราะว่ า, เ, าเนื้อมันไปเต็มแต่หลอดลมของท่านทําให้หายใจไม่สะดวกนะด้วยจมูกนะ ท่านก็เขียนบันทึกมานะก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อท่านรักษาใจอย่างไรใช้ธรรมะข้อไหนนะในการที่จะนะช่วยให้อยู่กับความเจ็บความป่วยได้นะโดยไม่ทุกข์ซึ่งสิ่งํำงานคือสตินั่นแหละนะสติที่จะช่วยเป็นผู้เห็นนะสมัยที่ท่านป่วยตอนแรกๆปีแรกนะปี 4-9 นะครั้งแรกเนี่ยท่านก็มีทุกขเวทนาเยอะนะความปวดนี่ก็มากหมอเคยกดที่นาท้องของท่านเพราะพบว่ามันมีก้อนเนื้ออยู่ที่แถวแถวตับเนี่ยกดเสร็จก็ถามหลวงพ่อปวดไหมท่านบอกปวดเกินร้อยหมอสงสัยทำไมไม่ร้องท่านบอก จะร้องทำไมให้ขาดทุนนะคือปวดอยู่แล้วเนี่ยการร้องมันก็เป็นการซ้ำเติมยิ่งทุกข์มากขึ้นนะคือทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเฉพาะความปวดเนี่ยมันมันไม่ได้ทำร้ายเรามันไม่ได้ลงโทษเราไอ้การเป็นผู้ปวดต่างหากที่ลงโทษเราอาการปวดมันมีเอาไว้ดูมันมีเอาไว้ดูไม่ใช่เข้าไปเป็น ถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยนะในความเจ็บความปวดเนี่ยมันก็มันก็จะบีบคั้นได้แต่กายนะแต่ว่าใจทำอะไรไม่ได้เราเคยคิดที่จะลองนะมาฝึกเห็นความปวดแทนที่จะเป็นผู้ปวดบ้างหรือเปล่าเคยคิดเอาไว้ไหมนะเตรียมไว้บ้างก็ดีนะเพราะว่ามันมาแน่อย่าไปคิดว่าพอปวดพอเจ็บแล้วจะมียารักษา หมอมะเร็งที่ตายเพราะมะเร็งที่ตัวเองรักษาก็มีเยอะยาประงับปวดถึงเวลาปวดจริงๆเนี่ยยานั้นก็เอาไม่อยู่นะไม่ว่าจะเป็นมอร์ฟีหรือยาอะไรก็ตามถึงตอนนั้นแหละนะ่ต้องใช้ใจแล้วนะใจที่จะช่วยทำให้ความปวดไม่อาจบีบคั้นจิตใจได้ ถึงตอนนั้นหละใจเป็นใหญ่มากเลยไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากใจอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสวดละทิ่ใจในตอนป่วยหนักนั่นแหละนะเราจะตระหนักว่าเนี่ยใจสำคัญเนี่ยหลายคนก็มาตระหนักก่ตอนนั้นแต่ว่าสายไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ฝึกมาเลยนะเวลาฝึกก็ทะเลทไลไยไม่เอาใจใส่ นะเพราะนั้นเนี่ยที่เขียนไว้ข้างล่างเนี่ยนะมันเป็นเหมือนคุ้มรับนะอย่าแค่เดินผ่านไปนะใจลอยนะเห็นของดีอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยังเดินผ่านไปลนะองพิจารณาเอาอ่านดูนะทำได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อย่างน้อย ม, มันมีอะไรที่เป็นข้อคิดข้อเตือนใจไว้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างหุวพ่อเลือกจจะหนักกว่าท่าน หรือจะว่าไปแม้จะเบาวกว่าท่านเนี่ยนะก็อาจจะเพียบหนักในทางจิตใจยิ่งกว่าท่านก็ได้สติสําคัญมากนะเพราะว่าในยามที่มีทุกขเวทนาบีบคั้นคุกคามเนี่ยสติมันจะช่วยทําให้ใจเนี่ยนะไม่ไปยึดติดกับทุกขเวทนานั้นไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยไม่มีใครชอบเจอที่ไรก็หนีทุกที แต่นี้ทีไรก็กลับไปเผยยึดมันอะไรที่ไม่ชอบเนี่ยเรายิ่งยึดนะทุกเวทนาเราไม่ชอบเรายิ่งยึดเสียงดังเราไม่ชอบเรายิ่งตดจรอกลิ่นเหม็นเราไม่ชอบเรายิ่งดมแล้วทุกเวทนาเนี่ยยิ่งจดจอนะก็ยิ่งยึดนะพอยิ่งยึดแล้วเป็นไงมันไม่ใช่กายปวดอย่างเดียวใจก็ปวดด้วยทําไมถึงไปยึดนะมันเหมือนว่ามีหนามอยู่ทําไมไปไป ไปไปจับนาำทำไมไปกำหนามนาำนี่เราไม่ชอบใช่ไหมแต่ทำไมลงท้ายก็ไปกำหนามทุกทีให้มันทิ่มมือถามว่าปวดไม่ปวดแล้วกำทำไมอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากไม่ชอบความเจ็บความปวดไม่ชอบความเมื่อยแต่ลงท้ายก็ไปจดจอนะไปยึดนะ ไปกรรมเอาไว้อะไรที่จดจ่อคือใจนี่แหละเขาเรียกว่าแทนที่จะปล่อยวางกับยึดนะเพราะอะไรนะเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติไอ้ตรงที่ไม่ปวดนี่ใจไม่สนนะเช่นปวดเมื่อยที่แขนปวดเมื่อยที่เท้าไอ้ส่วนที่ไม่ปวดมันไม่สนใจเลย เช่นส่วนหัวส่วนอกนะมันไปสนใจส่วนที่ปวดทั้งที่เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยแค่หนึ่งเปอร์เซนะอีกเก้าสิบก้าเปอร์ซไม่ปวดใจแทนที่จะไปอยู่ตรงนั้นเปล่ามันไปอยู่ตรงที่ปวดยิ่งปวดหนักเท่าไหร่ยิ่งไปอยู่ตรงนั้นแหละนะเคยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่เป็นธรรมชาตินะมันไม่เป็นธา ร, รมชาติของใจนะแต่ถ้าหลงเมื่อไหร่ ลืมตัวเมื่อไหรมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้ามีสตินะมันก็ช่วยให้จิตถอนออกมาจากความเจ็บความปวดความปวดยังมีอยู่นะเพราะมันเป็นเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ปวดเช่นมีเชื้อโรคที่ปล่อยสารพิษออกมาหรือเพราะว่ามันมีรอยแผลนะมีความอักเสบ อันนี้ถ้าไม่มียารักษาก็ยังปวดอยู่นั่นแหละแต่ใจไม่จำเป็นต้องปวดตามด้วยนะอุเจ้าก็สอนนะพร ะ, อะสอนคารวะคนหนึ่งนะักกุลบิดาว่าเนี่ยเมื่อกายป่วยอย่าให้ใจป่วยด้วยนะเมื่อกายกระสับกระสายอย่าให้ใจกระสับกระสายด้วยถมันทําได้นะยังไม่ต้องถึงขั้นที่จะ มีปัญญาเห็นว่ากายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนั้นเนี่ยต้องใช้ปัญญาขั้นสูงนะอย่างที่ภาษาริบุตรแนะนำนักกุลบิดาเนี่ยนักกุลบิดาถามว่ากายป่วยใจไม่ป่วยทาอย่างไรภาษาริบุตรก็บอกว่าเนี่ยกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยก็เพราะว่าอ่าไม่ได้มีความยึดมั่นสำคัญหมายว่ารูปเป็นของเรา นะเมื่อรูปมันแปรปวนไปก็ไม่มีความโศกความร่ำไรลำพันธุ์ทุกทมนัดความขับแค้นใจคือพอเห็นพอมีปัญญาว่าไอ้กายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยนะก็ไม่มีไม่มีการยึดนะก็คือปล่อยวางเพราะฉะนั้นพอกายป่วยนะก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้ทุกไปด้วยนะ แต่ว่าถึงแม้เราจะจะไม่จะมีปัญญาถึงขั้นนั้นนะสติก็ช่วยได้นะสติช่วยทำให้ใจไม่ยึดเวทนานะมาเป็นเราเป็นของเรามานะสติปัฏฐานสนะี่นะข้อสองคือนะเวทนานุ ป, ปัสสนาคือรู้หรือเห็นกายเอาเห็นเวทนาในเวทนาก็คือ เห็นว่าเวทนาก็เป็นสักแต่ว่าเวทนานะเวลามันเกิดความปวดขึ้นเออก็เห็นความปวดนะไม่เป็นยึดความปวดว่าเป็นเราเป็นของเราก็คือไม่เป็นผู้ปวดนั่นเองนะอย่างที่หลวงพ่อคํำคิดวัดเนี่ยกายปวดนะอย่าให้กายอย่าให้อย่าเป็นผู้ปวดให้เห็นความปวด ความปวดมันไม่ลงโทษเรานะการเป็นผู้ปวดต่างหากที่มันลงโทษเราที่เป็นผู้ปวดเขาไปยึดว่าความปวดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยอันนี้พาะไม่มีสตินะถ้ามีสตินี่มันมันถอนนะมันวางมาเป็นแค่ผู้เห็นจะทําอย่างนั้นได้นะมันต้องฝึกนะให้เห็นสิ่งที่ง่ายกว่าก่อนเช่นเห็นความคิด และเห็นอารมณ์นะอันนี้อยู่ในสถติปรธานสี่ข้อที่สามนะจิตตาอนุปัสนาก็คือเห็นจิตเห็นจิตในที่คือเห็นอาการของจิตนะเห็นไม่ข้อเป็นๆะพูดง่ายๆเห็นจิตว่าเป็นจิตเห็นอาการต่างๆของจิตเช่นความโกรธว่าเป็นความโกรธนะไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราเห็นเวทนา เห็นยากกว่าเห็นความคิดและอารมณ์แต่เห็นความคิดและอารมณ์นะมันก็ยังยากกว่าเห็นกายนะกายทำอะไรนะก็รู้นะอันนี้แหละมันเป็นการฝึกขั้นต้นนะที่ให้ยกมือนะก็เพื่อให้รู้กายให้ที่ให้เดินจงกองก็เพื่อให้รู้กายก็ขนาดกายห ย, ยาบ บางทียังเผลอเลยนะมือยกแต่ใจไม่ไปรับรู้ด้วยเพราะใจลอยไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามือกำลังยกไม่ได้รู้สึกเลยว่าเท้ากำลังเดินถ้าบางทีมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่หยาบนะความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ feeling นะแต่มันถึง sensation มันเป็นความรู้สึกที่หยาบก็ยังจับไม่ได้นะเพราะใจลอยนะใจมันก็ไปอยู่ในความคิด แต่ถ้าเราฝึกให้รู้กายจนกระทั่งสติมันสามารถจะอยู่กับกายได้รับรู้กายโดยที่ไม่เพง่งมันก็จะไวพอที่จะไปรู้ทันความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดกว่ารู้ทันอารมณ์ก็ยังยากนะแต่รู้ทันความคิดนี่มันง่ายกว่าเวลาใจมันลอยคิดโน่นคิดนี่เนี่ยเอออาจจะคิดไปสักเจ็ดแดเรื่องแล้วค่อยมารู้ทันอะ ก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆฝึกให้รู้ทันไม่ได้ฝึกว่าไม่ได้ฝึกว่าใจไม่ต้องคิดอะไรนะบางคนไปคิดว่าฝึกเพื่อไม่ให้ใจคิดไม่ใช่นะฝึกเพื่อให้รู้ทันความคิดต่างหากบางคนคิดว่าฝึกเพื่อให้ใจไม่คิดก็ไปคุมความคิดไปกดความคิดเอาไว้หรือไปบังคับจิตไม่ให้คิดน ะ, ะมันไม่ใช่นะไม่ได้ฝึก เพื่อไม่ให้ใจคิดแต่ฝึกเพื่อให้รู้ทันความคิดและก็อารมณ์ไอ้ความคิดเนี่ยนะต้องรู้ทันนะเพราะว่าคนเรากทุบเพราะความคิดนะความคิดเนี่ยมันมันมีประโยชน์มากมายนะมันช่วยให้เราแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดกับกายและใจได้มันช่วยแก้ปัญหาเวลาเกิดกับชีวิตขึ้นมา โลกเราพัฒนาได้ก็เพราะการใช้ความคิดแก้ปัญหาชีวิตเราเจริญงอกงามได้ก็เพราะอาศัยความคิดนะอย่างน้อยก็ในการรักษาตัวให้ปลอดภัยในการรักษ า, าชีวิตให้อยู่รอดแต่ว่าความคิดหลายอย่างเนี่ยมันก็เป็นโทษนะถ้าเราไม่รู้ทันมันเนี่ยเราก็โดนมันหลอก เมื่อวานนี้ก็พูดไปหน่อยนะแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่เป็นความที่ทเกิดโทษแต่มันสะท้อนหนึ่งว่าคนเราเนี่ยปรุงแต่งความคิดโดยที่ไม่รู้ทันและความคิดบางอย่างก็สามารถจะพาเราเข้ารกเข้าพงได้สมัยที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียน อ, อยู่ที่วัดป่ า, าวัดภูเขาทองท่ามาไฟหวานเนี่ยสักยี่สิบสาสิบปีที่แล้วเนี่ย นะมีพระหนุ่มรูปหนึ่งนะพี่ชายพามาเพื่อจะปฏิบัติกับท่านพระรูปนี้ก็เพิ่งบวชไม่นานที่จริงแค่สองสมวันเท่านั้นแหละหน้าตาก็เครียดนะพี่ชายพามาส่งแล้วก็ไปพระใหม่ก็อยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็พาปฏิบัตินะ พายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมแล้วก็บอกว่าให้ปฏิบัติไปนะพระรูปี่เดินจงกรมไปได้สักไม่ถึงชั่วโมงมั้งก็มาหาหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าจะขอศึกหลวงพ่อก็ถามว่าทําไมถึงรีบศึกนะนี่เพิ่งมาได้ไม่ถึงวันเองนะเขาบอกว่าผมรับผมรับปากนะพี่ว่าจะมาบวชนะ ไม่ใช่มาปฏิบัติตอนที้พอหลวงพ่อปฏิบัติก็เลยจะไม่เอาละหลวงพ่อก็เลยไล่ลให้ไปปฏิบัติต่อเดินจงกรมไปได้สักพักก็มาใหม่นะจะขอสึกลบเราจะสึกให้ได้หลวงพ่อก็ไม่ให้ให้ไปปฏิบัติอีกนะไปได้ไประเดี๋ยวเดียวนะมาอีกแล้วจะขอสึก หลวงพ่อก็เลยถามว่าอะไรพาให้ท่านมาหาผมพารุ่นนี้คิดสักพักก็บอกความคิดครับความคิดมันพาผมมาหาหลวงพ่อเพื่อจะขอศึกหลวงพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยมันคิดแล้วเนี่ยต้องทาตามความคิดทุกอย่างหรอถ้าคุณทาตามความคิดทุกอย่างเนี่ยคุณไม่แย่หรือผู้จบ ก, ก็ ให้พระลุนนันไปไปปฏิบัติต่อท่านก็พระใหม่ก็ไม่ค่อยพอใจนะแต่ว่าในเมื่อหลวงพ่อยืนกลานไม่สึกก็ต้องนะก็ต้องไปลนะไปปฏิบัติหรือไปเจาจุกก็ไม่ทราบตอนนั้นก็เย็นละเช้าตรูเนี่ยพอหลวงพอพระรุนเห็นหลวงพ่อนะก็ตรงมาเลย แต่แทนที่จะมาขอศึกนะกับกราบหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าขอบคุณหลวงพ่อมากเลยที่หลวงพ่อไม่ศึกให้นะคําพูดของหลวงพ่อนะเมื่อวานเนี่ยทําให้เขาได้คิดนะก็บอกว่าถ้าหากว่าหลวงพ่อเนี่ยศึกให้เขาเมื่อวานเนี่ยฝานนี้เขาคงจะเป็นฆาตรกรไปแล้วเพราะว่า เมื่อวานเนี่ยคิดถึงแต่จะฆ่าคนสองคนก็คงจะเป็นเมียนหรือกับชู้นะคิดแต่ว่าจะฆ่ายังไงฆ่าเสร็จแล้วจะเอาปืนไปทิ้งไว้ที่ไหนแต่พอหลวงพ่อพูดทักทวงเขาแบบนี้เขาเลยได้คิดนะแล้ววันนี้ก็ความคิดที่จะศึกไม่มีละ ก็กลายเป็นว่าพระรูปนี้ก็บวชต่อแล้วก็บวชต่อไปอีกหลายปีนะแล้วคำพูดของหลวงพ่อเนี่ยที่บอกพระหนุ่มรูปนั้นนี่สำคัญมากนะนะคนเราถ้าเชื่อคนเราถ้าเชื่อหรือทำตามความคิดทุกอย่างเนี่ยมันไม่แย่หรือแปลว่าอะไรแปลว่าคนเราต้องรู้จกักทักท้วงความคิดบ้างมันคิดอะไรก็อย่าไปเชื่อตามมาทุกอย่างแล้วคนเราเนี่ย ที่แรกเราก็คิดนะที่แ้วเราใช้ความคิดแต่ไปๆปปมาณนะความคิดมันใช้เรานะเราใช้ความคิดแก้ปัญหาอันนี้ดีอยู่แต่ว่าพอใช้ความคิดไปนานๆนะไอความคิดมันใช้เรามันใช้เราให้ปรุงหรือให้ทำตามมันอันนี้น่ากลัวมากเลย ถ้าเราใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหานะพัฒนาจิตพัฒนาใจให้ชีวิเจริญ ง, งอกงามอันนี้ดีแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้ความคิดมาใช้เรานะอันนี้แย่ละเพราะมันจะใช้เรานะให้ทำตามมันแล้วคนที่กินเหล้าเนี่ยนะเลิกเหล้าไม่ได้สักทีนะก็เพราะว่า ให้ความคิดเนี่ยนะมันจะคอยปรุงคอยปรุงแล้วคอยกำกับนะให้เราเนี่ยไปเสพมันอยู่เรื่อยๆมันจะสรรหาเหตุผลนะที่สวยหรนะูเพื่อให้เราเนี่ยนะกินเหล้าไปเรื่อยเหตุผลนะ่มีมากมายนะเช่นนะเพื่อสังคมมั่งละ ถ้าเราไม่กินแล้วก็อยู่ยากนะหรือว่ากินแล้วมันทำให้ทำงานได้ทำให้มือหายสั่นนะมันก็มีผลต่างๆมากมายถ้าเราเชื่อมันเนี่ยนะก็คงจะเป็นาธาตุไม่ใช่แค่าธาตุของเลาอย่างเดียวเป็นาธาตุของความคิดไปตลอดหลายคนนะอาจจะห่างไกลจ า, ากเล่า แต่ก็โดนความคิดหลอกโดนความคิดเล่นงานถึงเวลาจะนอนความคิดมันก็สั่งว่าอย่าพึ่งนอนคิดต่อคิดต่อนะมันอยากให้เราคิดต่อเพื่อมันจะได้คลองจิตคลองใจเราไปได้เรื่อยๆและเป็นไงเนี่ยีนพวกเราหลายคนเนี่ยเวลาจะนอนเนี่ยก็นอนไม่หลับเพราะมันหยุดคิดไม่ไดนะ้เดี๋ยวนี้ต้องพึ่งยาแล้วให้การนอน มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าแสนจะธรรมดาสา ม, มัญ น, นะเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถทำตามเสียงเรียกร้อ ง, องของร่างกายที่ต้องการพักผ่อนได้เพราะอะไรเพราะความพิมพ์บอกว่าอย่าพึ่งนอนอย่าพึ่งนอนอคิดก่อนคิดก่อนคิดเรื่อยอันนี้เรียกว่าความคิดมันใช้เราแล้วอ่า อันถ้าเราปล่อยให้ความคิดมันใช้เรานะเราก็คงจะหาความสุขได้ยากนะโดยเฉพาะเวลาคิดลบคิดร้ายเนี่ยอคนที่คิดลบคิดร้ายเนี่ยมันก็จะมีมีเหตุมีเรื่องให้ขุนเคืองไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาคนที่คิดลบเนี่ยจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะมันเห็น โน่นเห็นนี่มีปัญหาไปหมดนะเห็นแต่ข้อบกพร่องเห็นแต่สิ่งที่ไม่ควรแล้วเป็นไงใจก็หงงิดใจก็ทุกข์แล้วมีความสุขไหมมีความสงบไหมก็ไปพยายามบังคับควบคุมให้สิ่งต่างๆเนี่ยนะมันเป็นไปตามใจเราแต่ก็ทำไม่ได้ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ ท่านั้นไปพอนะพองุดหงิดพอเครียดเข้าไปไงป่วยความดันขึ้นนะไปโรคหัวใจนะนี่เป็นเพราะไม่รู้ทันความคิดนะไม่รู้จักทักท้วงมันบ้างว่านะไอไอที่ลบมันก็มีที่บวกมันก็เยอะนะคนเราเชื่อความคิดทุกอย่างนี่นะ มันก็ทำให้เสียผู้เสียคนแม้กระทั่งแม้ว่าความคิดบางอย่างเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนดีนะหลวงพ่อชานเล่าว่าเนี่ยนักจะมีโยมผู้หญิงเนี่ยนะเป็นชาวบ้านเนี่ยวันดีคืนดีก็จะมาขอบวชบวชชีเพราะว่ามีปัญหากับสามี สา ม, มีอาจจะขี้เล่าสา ม, มีอาจจ ะ, ะมีเมน้อยหรือมีกิ๊กแล้วแต่ทะเลาะหมอกแวงกันก็จะมาอยู่กับหลวงพ่อและหลายคนจะพูดว่าจะขอบวชตลอดชีวิตเลยเบื่อแล้วนะชีวิตครอบครัวมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความวุ่นวายหนูจะขอบวชตลอดชีวิตเลยหลวงพ่อ หลวงพ่อชาต น, นก็จะคอยทักท้วงว่าอย่าพึ่งพูดอย่างนั้นอย่าพึ่งคิดแบบนั้นนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเด็ดขาดแน่นอนเลยจะขอบวชตลอดชีวิตนะบวชไปได้แค่สองสาวันนะผัวมางอ้อผัวมาง้อเป็นไงมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อขอหนูขอ้ขอศึกแล้วนะนะ ผัวเขาอยู่ลําบากแล้วนะไม่มีหนูเนี่ยนะมีจะมีเหตุผลมากมายนะคราวนี้ mm. เพื่อว่าจะขอสึกไปอยู่กับผัวจะขอกลับบ้านไอ้ที่พูดเอาไว้เมื่อสองสาวันก่อนว่าจะบวชตลอดชีวิดยังไงยังไงหัวเดเตตีนขาดก็ไม่สึกเนี่ยนะลืมไปเลยนันเป็นอย่างนี้หลายครั้งนะหลายคนนะหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยจิงของคนร้อนอย่าไปเชื่อมันมากนะ การบวชตลอดชีวิตนี่เป็นของดีนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเพราะอารมณ์อารมณ์มันผลักดันเช่นตอนนั้นหงุดหงิดตอนนั้นรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตอนนั้นโกรธสามีอยากจะสั่งสอนสามีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตอนนั้นอาจจะเบื่อจริงๆก็ได้นะนแต่พอเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนนะผัวมางอ ก็เกิดความสุขรู้สึกอัตตาไม่ได้รับการเติมเต็มนะได้รับการพนันโนก็เลยนะเปลี่ยนใจนะนะอยากจะกลับไปอยู่บ้านนะไปอยู่กับผัวแล้วพระก็เป็นนั่งบางคนเนี่ยนั่งปฏิบัติธรรมได้อ่าสักไม่กี่อาทิตย์เนี่ยจิตใจเกิดความสงบปิติมากนะก็คิดบวชเลยนะประกาศเลยนะจะบวชตลอดชีวิต บวชได้ไปถึงพันษ า, ศานี่บางทีจีวรก็ร้อนแล้วนะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่ามีเหตุปัจจัยนะที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นภาวนามันไม่ค่อยสงบเหมือนก่อนหรืออาจจะเห็นมีปัญหากับเพื่อนพระด้วยกันเกิดความหงุดหงิดลำคาญ ที่บวชตั้งเจวาจะบวชตลอดชีวิตแล้วก็ศึกภายในเวลาไม่นานนี่ก็เยอะนะอันนี้แม้กระทั่งการความคิดที่ดูเหมือนดีนะบวชตลอดชีวิตเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันมากนะก็แค่ดูมันไปดูว่ามันจะอยู่กับเราไปนานเท่าไหร่นี่ยังไม่นับถึงความความคิดที่มันแย่นะ เป็นความคิดที่อยากจะไปว่าคนอื่นอยากจะไปทําร้ายเขาอยากจะไปตอบโต้นะรวมลันพันตูวเขานะเขาว่าเราก็อยากจะด่ากลับเนี่ยอันนี้ยิ่งแย่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการฝึกให้รู้ทันนะความคิดเนี่ยมันสําคัญมากทีเดียวโดยเฉพาะคนปัจจุบันเนี่ยที่คิดเก่ง คิดเก่งแล้วก็ไปลงเชื่อความคิดตัวเองได้ง่ายเพระคิดว่าตัวเองฉลาดแต่หารู้ไม่กิเลสมันก็ฉลาดเหมือนกันมันก็อาศัยความคิดเนี่ยล่อหลอกชักจูงให้เรานะทำตามกิเลสปนเปลือกกิเลสนะก็มีเยอะหรือว่าชักจูงเราทำชั่วนะที่ทำให้เราเสียใจภายหลังนะก็มาก ถ้ามันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันทักท้วงมันก่อนรู้ทันมันและถ้ารู้ทันความคิดได้นะต่อไปเนี่ยการรู้ทันอารมณ์เช่นความกลัวความเศร้าก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้เร็วและพอ ร, รู้ทันอารมณ์นะต่อไปจะไปรู้ทันเวทนารู้ทันความเจ็บความปวดก็จะทําได้ง่ายขึ้น ในเรื่องน้อยเนี่ยนะเวลามันเจ็บมาปวดเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ทันเวทนายังปล่อยวางเวทนาไม่ได้ก็ให้มารู้ใจเห็นความหงุดหงิดเห็นความโกรธเวลาเจ็บเวลาปวดเนี่ยใจมันโกรธนะมันเกิดโทสะนะมันโกรธมันเวียเว่ยงมันวินไปทั่วเลยแม้จะไม่แสดงออกซึ่งก็เป็นการซ้าเติมทาให้เกิดทุกขเวทนามากขึ้นเกิดความเจ็บความปวดมากขึ้น แต่ถ้าเร า, ารู้ทันอารมณ์นะว่าตอนนี้มันกำลังกรวัวกาลังเกิดโทสะพอรู้ทันปุ๊บไออารมณ์มันก็จางคลายไปไอที่มันจะไปซ้ําเติมทุกขเวทนาให้ปวดทั้งกายปวดทั้งใจนะั้นมันก็หายไปเหลือแต่ความปวดกายนะแต่ใจไม่ปวดแล้วเพราะไม่มีเวทนาเอาไม่มีอารมณ์โกรธมาเผาหลนอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะนั้นฝึกเอาไว้เตรียมเอาไว้นะ เพราะว่าวิชานี้ได้ใช้แน่นะยังไงต้องเจอแน่ทุกขเวทนาเนี่ยนะบางทีอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าดินกระสับกระสายเลยก็ได้เพราะอยาเอาไม่อยู่นะแต่ถ้ า, ากว่าเรานะเตรียมตัวฝึกจิตตั้งแต่ตอนนี้นะรู้กายรู้เวทนารู้จิตนะถึงเวลามันปวดมันก็ปวดแต่กายนะใจก็สงบได้ อาชาีิกันภูเกานีนะครับ